กันบ้านเฟื่นานนะครับเฟื่องนันไม่ดีเผลอบ่อยดีนะเฟนนนื่องนาปฏิบัติยังไงมั่งละ่ะแต่ละวันก็ดูจิตไปตามทำสมาธิอะไรบ้างไหมเดินจงกรมอะไรเงี้ยเดินจรมได้ เ, เ, เดินไหเคลื่อนไหวไหเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเราหัดนะอย่างเราหัดเดินจงกรมเราเดิน เพื่อจะรู้สึกตัวเนี่พอเราใจลอยไปปุ๊บเรารู้ว่าใจลอยนี่ต่อมาจิตมันจําสภาวะของความใจลอยได้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่พอเราใจลอยปั๊บแล้วเกิดเราเคลื่อนไหวร่างกายขึ้นส่วนนิดสติจะเกิดเองนี่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆเราก็หาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งเครื่องอยู่ของจิตไม่เรียกว่าวิหารธรรมหมายถึงว่า ถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรนะช่วงไหนเราก็คอยะระลึกถึงอนนั้นบ่อยๆแล้จิตเคลื่อนไปจากอารมณ์อนั้ น, น, นเราก็คอยรู้ทางอย่างบางคนรู้การยืนเดินนั่งนอนรู้ไ่ถ้าเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนนะใจเป็นคนรู้อย่างนี้ก็ถือว่าเราก็เริ่มเดินปัญญาแล้วแต่ถ้ามันไม่เห็นกายเป็นคนเป็นตัวเดินใจเป็นคนรู้เราก็เอากายเป็นเครื่องอยู่รู้ปไป เวลามันขยับเยืนเคลื่อนไหนะคอยรู้สึกไปพอเราเคลื่อนไหวแล้วเราคอยรู้สึกเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกพอมาใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นไปพอใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะรู้ทันว่าใจหนีไปแล้วเงั้นเราหาเครื่องอยู่ไว้ันเป็นตัวตั้งไหพอใจเราหนีไปจากอันนี้เราก็รู้ทันใจเรามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นเครื่องอยู่ของเราเราก็รู้ทันรู้ทันใจนะไม่ใช่ไปเกาะตัวอารมณ์ให้คอยรู้ทันจิตรู้ทันใ จ, จตนเอง หลักอันนี้ใช้ได้กับสมถานทุกชนิดเลยนะเช่นบางคนจะหัดพุดโทโธพุโทโธก็ได้นะพุโทโธพุโทโธก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งเหมือนกันพุโทโธแล้วก็จิตเราหนีไปหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปพุโทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนะพุโทโธแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสนะุขหรือกําหนดลมหายใจหายใจไปเพื่อจะคอยรู้ใจตัวเอง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 ใหคอยรู้ทันจิตกรรมาฐานอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะแต่เราทําเพื่อเป็นเหยื่อล่ อ, อเช่นั้ น, นี่คล้ายๆเหยื่อตกปลาจิตนี้คือปลาเราเหยื่อมาลอ่อปลาวิ่งมาที่เหยื่อว่ายมาที่เ ห, หยื่เอเราก็เห็นปลาว่ายหนีไปจากเหยื่อเราก็เห็นเืียว่าหาอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ไว้พอเราชํานิชํนานาญขึ้นต่อไปจิตมันเป็นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรนะั้นจะรู้ทันรู้ด้วยตัวเองทั้งวันนะ่ะ ไม่ต้องเจตนาจะไม่เผลอยาวหรอกถ้าเผลอยาวแสดงว่าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆกำลังเราไม่พอใจเผลอๆไปแล้วก็ลืมดูพอไหวไหมยงเงี้มาไกรไห<ๆ>มมน้องาเคยมาไ ม, ยไม่เคย เ, ย ค, เคยเไว้ก่อนนะขอตรวจกันบ้านพวกเก่าๆก่อนอ่ะคุณกบ มันไม่ดียังไงนะ ค, คือืมันไม่ได้มันไม่ได้สา ม, มารถมันไม่ได้รู้สึกตัวได้สมอื ม, มที่เราอืมก่อนนอนเราไหว้พระ ส, สวดมนต์ทสมาธิอะไรเงี้ยเดินจงกรมทานะทำยังไม่เคยหัดนะหัดให้คุณจริญโกโกสอนใหนะ้การปฏิบัติตามรูปแบบจาเป็นเหมือนกันนะสาหรับเบื้องต้นถ้าเราไม่มีรูปแบบเลยเราก็ ภาวนาไปแล้วใจ ว, ว้าวงเวกเลยมันเบิงว่าวงไปการปฏิบัติในรูปแบบต้องคล้ายๆกับราวสะพานเราไม่มีสะพานไม้เล็กๆเรายังเดินไม่คล่องต้องมีราวไว้เกาะเมลมนเดินไม่ได้อาศัยรูปแบบแต่ถ้าเราชำนิชำนาญสติเกิดเองแล้วไม่ต้องอาศัยอะไรันจะเรล่มพงเป็นไงันจะเริ่มพง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 เราจะรู้ด้วยความเป็นกลางลองขึ้นกรกไปทำอะไรเออตับถูกให้ได้นะดีขึ้นเยอะและ้วนะคือการปฏิบัติในภาพรวมเนี่ยดีกว่าเก่าเยอะและ้วดูออกไหมใจเป็นโล่งใจมันเบา<ๆ>ตื่น <c ười> ไม่เห็นนะ ออคออคือใหม่ๆเราจะเห็นแต่ของหยาบความพอใจของจิตเป็ น, ปนโลภะเป็นราคะราคะนี่เป็นของละเอียดดูยากถ้าโทสะดูง่ายอย่างเวลาเราจุ้มใจเนี่ยจะเห็นง่ายนะงั้นโทสะก็ดูง่ายนะราคะก็ยากขึ้มนมาหน่อยมุหายากมากอย่างใจมันฟุ้งๆนี่ดูยากเราฝึกไปเด้วยทีแรกเราก็เห็นของหยาบก่อน นานๆเราก็เห็นละเอียดเข้าละเอียด เ, เ, เข้าธรรมดานะเป็นอย่างนั้นทุกคนอ้วนมางไงติดก็เอาไว้รู้สึกไหมปับของดูออกก็ดีแล้นะเอะนะอนั่นแหละ้วนดูเพื่อให้เห็นว่ามันทำงานได้ด้วยตัวมันเองนะรู้สึกไหมมันทำงานเองจิตเนะ่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 สภาวะอะไรเกิดใจก็เป็นกลางตรงนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรผลเป็นกลางก็ปัญญามโมโหรุนแรงไหม ม, มันต้องมีนะแต่ธรรมดาไม่ใช่ภูมิจี่จะละโท ส, สกะการปู จ, จิตตนนี้ตื่นไหมขณะจิตนี้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 แต่ถ้าเรารู้รู้อยู่นะแต่รู้แข็งแข็งนะมไม่ใช่รู้เป็นรู้ที่ยังเจือที่โลภยังอยากรู้อยากรู้เลยไปจ้องไว้ไปประคองไว้ไปรักษาไว้<ม>ดูให้ทันนะดูไปดีแล้วล่ะสร็จมาอ้าจูนวะไงเออเห็นอะไรล่ะไม่เคยเห็นเออดีดี เออแม้ถูกใจอย่างนี้ไม่เคยทตนความกลัวอะไรเงี้ยไม่เคยรู้สึกกเออดีแล้วดีแล้วเว ล, เวลาที่รู้สึกที่มาเองนี่รู้สึกง่ายกว่าที่คิดอะ่ะง่ายสิหลวงพ่อถึงบอกว่าทาไม่ได้เคยเคยิกับการจมใจมันช่วยไม่ไดออ้ช่วยไม่ได้นะถ้าสติตัวแท้เกิดเนีแต่จะตั้งมั่นตื่นขึ้นมาเลยนะสติเป็นอนัตตาเหมือนกันสติก็เป็นสิ่งที่ใครก็สั่งให้เกิดไม่ได้ นี่พวกเรานักปฏิบัติเกิดคิดว่าเราจะทําสติให้เกิดทําไม่ได้หรอกแต่สติถ้าสติมีเหตุสติถึงจะเกิดในเหตุของสติก็คือจิตมันเกิดไปจําสภาวะได้อย่างเช่นมันใจลอยแล้วจิตมันจําได้ว่าใจลอยสติก็เกิดขึ้นมาดันั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดเพราะเราไปทํามันเข้าบางคนกลัวไม่มีสตินะัไปเดินกระแทกกระแทกกระแทกเนหัวเขาก็พันบางคนนั่งเขก ก, ก, กถามทำอะไรจะให้มีสติไม่ให้เผลอบอกว่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นหรอกพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายเกิดจเหตุเราอยากมีสติเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเหตุของสติคืออะไรพระพิธามสอนชัดเลยเหตุของสติคือการที่จิตนี้จำสภาวะธรรมได้แม่นยําทําไมจิตถึงจําสภาวะธรรมได้แม่นยําพราจิตเห็นเนืองเนื่องเห็นบ่อยๆแล้วถึงจะจําจแม่น นะการตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตเนืองๆอะไรเนเยนะเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองเพราะงั้นเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องสนใจหรอกว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่บันไดที่จิตมันจําสภาวะไดนะเ้เนี่ยพอเสลอมปุ๊บเนี่ยสติเกิดและ้ะพอโลภพอโกรธพอลหลงหรือพอมีความหวานๆเกิดขึ้นในใจสติก็เกิดเองนะสติเกิดเองอ ง, ง่ายอย่าง่ายเพราะว่าไม่ได้ทําอะไร ทันทีที่สติเกิดสติก็ทำหน้าที่ของสติทันทีเลยหน้าที่ของสติคืออารักขาคุ้มครองจิตทันทีที่สติเกิดนี่กุศลจะดับทันทีกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเราไม่ได้ทำนะไม่มีใครทำได้นะก่อนหลวงพ่อก็พากเขียนนะทำไงเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานไวๆนะวันนึงภาวนาอยู่ภาวนาอยู่ทางหนองคายนะ ภานาเลยจิตมันก็สอนขึ้นมาไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกสอนอย่างนี้นะฝั่งเรางงๆนะไม่มีใครทําได้ถ้าทาได้จิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่นัสตาแล้วที่เราก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นนะจนใจมันยอมรับความจริงมรรคผลนิพพานเข า, เขาเกิดของเขาเองไม่ใช่เราไปทําให้เกิดขึ้นมาแระทั่งสติเรายังทําให้เกิดไม่ได้เลยมรรคผลยิ่งทําให้เกิดไม่ได้อย่าง แค่สติธรรมดานี่ทาให้เกิดไม่ได้แต่ต้องทำเหตุของเขาหัดรู้รื่เล ย, เลยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเวลารู้กายก็รู้เหมือนเห็นคนอื่นนะเห็นใ้ตัวนี้มันนั่งรู้จิตใจก็เหมือนเห็นจิตใจคนอื่นเห็นเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภมันกรบมันหลงอะไรเงี้ยใจเราเป็นคนดูดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งสติตัวแท้เกิดผางขึ้นมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติ สมาสติเกิดเมื่อไหร่สัมมาสมาธิก็เกิดเมื่อนั้นถามว่าสมาธิเกิดจากอะไรสมาธิเกิดจากความสุขเนี่ยพวกเราก็ชอบกับหัวกลับหางนะคิดว่ามีสมาธิแล้วมีความสุขพอสมาธิประณีตขึ้นไปเป็นอุนเบกขาไม่เ ป, เ, ปเป็นสุขหรอกแต่ว่าความสุขนั้นทำให้เกิดสมาธิเนี่ยอภิธรรมก็สอนนะเนี้ยพวกเราบางทีสนใจแต่ปฏิบัติเราทิ้งตําราก็ไม่ดีเหมือนกัน มันจะมวยวัดเป็ดปาเป็ดปาแต่หลวงพ่อหัดมาแบบมวยวัดนะพอหัดไปแล้วค่อยมาดูตำราที่หลังอ้ามันตรงกันในรู้เออคนโบราณเขาก็เก่งนะเขารักษาพระปริยัติไว้ได้เออนั่นเป็นแค่แค่คอยสอนมันคอยสอนนะครับอ๋อนู้นูนไปก่อน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 รู้ึมันยากเปลียนแสนเขินนึกถึงคำครูบาอาจารย์ว่ามันง่ายนะมันง่ายนะก็ต้องหยุดความปรุงแต่งของเราสักหยุดสัจริงจริง่ายกว่าที่คิดง่ายจนยากง่ายเพราะยากเพราะว่านึกไม่ถึงว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะมันก่อนก็มีอาจารย์สอนกรรมฐานก็นหนึ่งมาอันนี้ก็ลูกฝีลูกหาเยอะแยะเหมือนกันมาบอกว่าเมื่อก่อนมาฟังหลวงพ่อนะไม่เชื่อหรอก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 ทำนิดหน่อยดูออกไหมพอมันเริ่มทำนะเหลือนิดหน่อยดูไป <é. S 1> ดีขึ้นเยอะแล้วสมพง์เอ้ทำไมเวลาสมพงเป็นเสื่อมมันเสื่อมหลายเดือนอะไรนะอ๋อมึดๆมันมั น, มนช่วงสองสามเดือนสี่เดือนอะไรก่อนนั่นนะมันเสื่อมจริงจังมาก เวลาจิตมันเสื่อมอย่าตกใจจิตมันเสื่อมก็คิดว่ามันสอนธรรมะเรามันจเจริญได้แล้วมันก็เสื่อมโย่อย่าเที่ยวหาเข้าไปไม่หานะจิต เ, เข้าไปสแสวงหารู้ทันมันรู้เรื่อยๆ ร, รู้สบายๆไปนะใครอีกนาะเอาท่านพรวิชัยท่านพรวิชัยดีทีนั่นดีใครรู้ไปเรื่อยนะ ท่านนี้ลหละได้จำหน้าได้อยู่ <c oughs> อ, อ่า <c oughs> อเรี่เอเรออะไรก็ไม่เป็นไรน ะ, ะแต่ว่าจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตรงที่มันเคลิ้มไปเนี่ยเราจเจริญสติไม่ได้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 นั่งเพื่อจะคอยหัดสังเกตสภาวะของจิตวเวลาเรานั่งจิตมันรวมลงไปนะเคลิ่มเคลิมลงไปสบายพอเขาถอยขึ้นมาเขาสดชื่นขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าจิตมันสดชื่นพอเราเลิกนั่งแนละ้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ยังไงเราก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆถึงเวลาเราก็มานั่งใหม่กฏิบัติอย่างนี้ก็ได้นะ เ ด, เดินจงกรมจําเป็นถ้าเราไม่เป็นง่อยคําว่าเดินจงกรมเนะแปลว่าอะไรเลยจงกรมแปลว่าก้าวไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเดินนะถ้าเรามีสตินะเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราเดินกลับไปกลับมานะเราทำขืมขืมเพ่งขาวไว้นิ่งๆหรือเพ่งตัวเองทื่อๆไปไม่เรียกว่าเดินจงกรมหรอกเรียกเดินสเปสปะเดินทรมานกาย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 เดินด้วยความรู้สึกตัวเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้มันเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยฉั้นถามว่าเดินจงกรมจำเป็นไม่จำเป็นนะเช่นเราจะไปช้อปปิ้งต้องรู้สึกตัวไปเรียว่าเดินจงกร ม, มได้ได้ยิ่งดีมีประโยชน์คือมันจำเป็นสำหรับบางคน ม, มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะมีประโยชน์ ได้แต่ว่าจริงๆนะมีที่อยู่สองสามเก้าก็เดินได้น ะ, ะสมมติว่าเดินตมาตเดินในฟุติตมาตแคบนิดเดียวไม่กี่เก้าหรอกเดินได้อย่างเราเดินไปทางนี้ที่เราหันทางขวาเดินกลับมาทางนี้เราหันทางซ้ายก็มันแก้กันไม่เวียนถ้าที่แคบๆนะั้นเดินเป็นเลขแปดก็ได้เลขแปดข้างล่างอะ่ะมันจะกลับไปกลับมามจะพลิกของมันพอดีมันจะไม่เวียนหรอกอยู่ที่เราจะเดินไหม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 เริ่มจากโลภะก่อนอยากอยากปฏิบั ต, ติอยากปฏิบัติจะเริ่มไปจ้องเอาไว้ไปบังคับไปควบคุมเราอย่างเราเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งหรือเราตอนนี้ตอนเด็ ก, ดกจําได้ไหมถ้าพ่อแม่บังคับเราเราก็อึดอัดใช่ไหนะจิตเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งนะเราไปบังคับให้เขาอยู่นิ่งๆนะเขาก็อึดอัดเหมือนกันเพรานั้นะถ้าอึดอัดขึ้นมาแสดงว่าบังคับแล้วละ่ะเราจัดการกับจิตของเรานะเหมือนเราเราดูแลเด็กคนหนึ่ง เวลาเราเลี้ยงเด็กเราไม่เอาโซ่มามาดัดห้ามเด็กเคลื่อนไหวไม่ใช่เราปล่อยให้เด็กเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเขาเขาก็จะวิ่งบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างเด็กมันมีความสุขมันหัวเราะมันเสียใจมันร้องไห้มันโมโหโงอแงเราดูเหมือนดูเด็กอย่างเงี้ยจิตเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งน ะ, <sự> นะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโยเยงอแ ง, งเดี๋ยวโมโหนะดูเหมือนดูเด็กคนหนึง่งอ่ะพอเข้าใจไหมยอย่างเงี้ย เราจะไม่เอาโซ่ไปมัดมันนะเอนะก่อนนอนอย่าลืมไหท้ะสวดมนต์นะ <c oughs> ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำนะอย่าละเลยข้อวัดถ้าทำต้องมีประโยชน์ได้กำลังหัดใหม่ๆไม่ทำเลยนะใจว้าเว่เดี๋ยวจะเผลอยาว